นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะ o m กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วอาตมาพระไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าเราหนายโศกแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนิ น, นรายการนั่นก็คือครับสวัสดีครับกับผมธนแพทยนัทพงศนุวิรุณนะครับค<ล>รับวันนี้พระอาจารย์เป็นตอนที่ยี <26 S 2> <26 S 1> ่สิบครับผมเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกสัปดาห์ไม่เคยขาด มาเป็นติดต่อกันถึงยี่สบกสัปดาห์แล้วยีสัปดาห์ครึ่งปีพอดีเลยนะครับยี่สิบหกใช่ไหมครับโหทำมากันอืดมากห้สิบสองสัปดาห์ได้ใช่ครึ่งปีนะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังครับโอ้ดีครับอาศัยอาศัยเหตุที่ว่ามันครึ่งปีพอดี่นะเรื่องนี้บางหลายๆท่านอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วอแต่ว่าก็จะเป็นนิทานปรมบราอันนี้ไม่ใช่พุทธวัจนะ แต่มีข้อมูลที่สำคัญอยู่จะมอบให้ก็คือว่ามีกระทาชายสองนายเขาก็เป็นเพื่อนกันมาใช่ไหมสางคนนี้เขาก็เป็นเพื่อนสนิท ก, กันมากมีความคุ้นเคยกันอย่างดีแต่ว่ามีนิสัยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ ค, รคือคนชื่อนายดาเนี่ยนายดานี่ก็มีนิสัยที่ไม่ค่อยดีคือไม่ได้ถือศีลแล้วก็กินเหล้าด้วยส่วนนายนนขาว นาะยขาวก็เป็นคนที่มีความประพฤติมันเป็นสุจริตทั้งทางกายวาจาใจนะใเขาก็เป็นคนดีขยันทำหา ก, กินอย่างนี้แหละปรากฏว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็คุ้นเคยกันนั่นแหละแล้วก็พอถึงมาวันหนึ่งก็ตายไปหมดอายุไขก็ตายไปใช่ไหมนายดำเนี่ยก็ตายไปละนายขาวก็ตายไปด้วยนายขาวพอตายไปเนี่ยก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาเนื่องจากความที่ตัวเองมีศีล มีการประพฤติีถูกมครับถ้าเกิดเป็นเทวดาเนะี่ยมรรตพงศ์คือเทวดาอย่างที่เราเคยพูดพูดกันมาแล้วนะว่าเทวดาเนะี่ยแม้มีความสุขมากนะมพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของความสุขของเทวดาเนะี่ยเปรียบเทียบเท่ากับภูเขาหิมมารายนะเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขของพระเจ้าจั ก, กรพรรดินะผู้ที่มีฤทธิ์เจ็อย่างามีฤทธิ์สีอย่างมีทรัพย์เจ็อย่างเนี่ยก็มีความสุขเท่ากับหินก้ อ, กอนหนึ่งก้อนเท่าฝ่ามือก้อนหนึ่ง ซึ่งความสุขของเทวดาอย่างเช่นว่าเวลาเขาจะกินข้าวอย่างเงี้ยหมอนรัตพงศ์เขาก็นึกถึงเลยนะก็รสชาติอยู่ในปากไ ม, ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไม่ต้องสั่งให้คนไปซื้อแล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวให้เมื่อยกามด้วยนะแล้วรสชาติก็อยู่ในปากทันทีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาย่อยนะเพราะว่าอิ่มทิพย์เลยอิ่มทิพย์เลยไม่ต้องถ่ายด้วยคิดดูนะบางคนในโลกมนุษย์เราอ่ะแหมอันนี้อ<า>ร่อยมากสเต็กสั่งมากินสัมงมาแล้วก็ยัง เขาก็อยยกอย่างอื่นมาให้ด้วยมีสลัดด้วยเอา้องมากินอีกแล้วก็มีซุปด้วยมีอะไรด้วยกินกินกินจนอิ่มมากนะอร่อยปากมากเลยปรากฏอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะสามวันสี่วันเพิ่งจะมาถ่ายทีหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นทุกข์กเลยอความสุขจากตอนที่ถ่ายวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยะความสุขตรงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขตอนที่อร่อยปากตอนแรกเนี่ยโอ้โหความสุขตอนที่มันปล่อยออกเนี่ยนะมันสบายกว่าถูกไหมท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะ เคยมีประสบการณ์นะครับทีนี้ไอความสุขของเทวดาเนี่ยแหมมันเหนือกว่าพวกนี้มากอ่แล้วก็เทวดาก็ยังมีเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นรถไปเหงือ่อแตกเดินไปอะไรต่างก็ลอยไปหอ่อไปตามด้วยความสามารถของเทวดาบ้างกันเถอะเหมือนหายตัวอย่างนี้นะครับก็ลักษณะของการเดินทางที่เป็นทริป่ยไม่ต้องมีคข า, ขาเพราะว่าร่างกายมันเป็นร่างกายละเอียด ใช่ไหมหอย่างร่างกายมนุษย์เป็นร่างกายหยาบเนี่ยมันก็ต้องมีเ ท, ท้าพ า, พาเดินไปต้องมีเครื่องจักรกลพาให้เราไปได้อย่างเงี้ยนะทีนี้ว่าประเด็นก็คือว่าอิตาเทวดาในขาวเนี่ยก็เลยอยู่มาวันหนึ่งก็ร ะ, ะลึกถึงเพื่อนตัวเองที่เป็นในดำํำไม่ว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหนใช่ไหม เ, เทวดาในขาวเนี่ยก็เลยมีความรู้พิเศษด้วยคือการสามารถรู้ได้ว่าใครไปอยู่ในภพภูมิไหนอะไรต่างๆก็ตรวจดู นะด้วยความสามารถพิเศษของเทวดานั่นเองครับก็ไปพบว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยคือในดำเนี่ยนะในดำไปเกิดเป็นหนอนมรดกของหนอนไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในฐานซ่วมของพระสงฆ์อยู่ในวัดแห่งหนึ่งครับพอไปเกิดเป็นห น, น, นอนเนี่ย<ๆ>ก็เลยด้วยความที่ระลึกถึงเพื่อนก็เลยว่าไปนะไปหาหนอนในดำคนนี้หนอนในดำหนอนในดำที่อยู่ในฐานซ่วมพระสงฆ์เนี่ยก็ เทวดาในขาวนี่ก็อยู่ข้างนอกฐานซ่วมะนะก็เลยไปปรากฏตัวให้เพื่อนเธอเองเห็นบรากฏ ว, ว่านอนในดำนะเห็นเทวดาในขาวนี่ก็ระลึกขึ้นได้ว่าเอ้านี่มันเพื่อนเรานี่นาเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็เลยถามสารทุกสุกดิบสุกดิบกันน่ะนอนในดําก็ถามเทวดาในขาวว่าเป็นไงเพื่อนเกลอแหมไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไหนช่วยบอกให้ฟังหน่อย อยู่ความสุขเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอเทวดาในข่าวเล่าถึงว่าตัวเองเป็นเทวดาใช่ไหมในดําในดำเนี่ยซึ่งเป็นหนอนก็ไม่รู้ว่าเทวดาเป็นยังไงก็เลยถามว่าแล้วเขากินอะไรกันอะไรต่างๆครับพอเทวดาในขาวอธิบายให้ฟังลักษณะการที่ต้องรับประทานอาหารของเทวดาเนี่ยหนอนในดําเนี่ยนะปรากฏว่าถึงกั บ, ร, บร้องไห้เลยเหมือนจะบอกร้องไห้เพราะว่าอะไรละอุทานออกมาว่าโทเพื่อนทําไมมีชีวิตความเป็นอยู่ลําบากอย่างนี้ จะกินอะไรยังต้องนึกอีกหรอขนาดนั้นนะออืะนี่ดูอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของฉันสิถึงเวลานะเดี๋ยวพระสงฆ์ก็เอาอาหารมาถวายคือเอาอึมาจะรับใส่ในถานชงเลยอาหารของฉันมีตลอดเวลาไม่ต้องนึกเลยนะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะกินก็อยู่ที่นี่ตื่นเช้ามาก็มีกินนอนก็นอนที่นี่เนี่ยอึจะได้เต็มไปหมดเลยเพื่อนมีความสุขมากว่าอย่างนั้นเทวดาในขาวเนี่ย เลยพยายามจะอธิบายให้หนอนในดำฟังว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นของละเอียดกว่าดีกว่าปนี่กว่ากว่าผู้อุจระพวกนี้อธิบายยังไงเนี่ยหนอนในดำนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับนะก็ยังรู้สึกว่าแล้วแล้วบนเทวดาเนี่ยมันมีอุจระกให้กินไหมยังถามเท <c oughs> วดาอีกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องล่ะ เหมือนกันเข้าใจไปคนละแบบเลยเข้าใจคนละแบบเพราะว่านอนเนี่ยก็มีความสามารถของหนอนในการที่จะอยู่แค่นี้ยัางไ่เดือนอนะ่ะหมอรตมัตพงศ์ครับเอ่อพอมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะเห็นดินมันกินดินใช่ไหมไสเดือนเนี่ยมันก็จะดีใจว่าโอ้โหดินเต็มไปหมดเลยกินกินกินกินกินกินจนอิ่มอิ่มเสร็จแล้วมันก็นอนนอ น, นอนเสร็จแล้วด้วยความาทีเ่เหนื่อยก็นอนใช่ไหมนอนตื่นมาอีก มันก็จะดีใจมากว่าโอา้ดินเต็มไปหมดแล้วอาหารของเรามีเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะกินดินดินดินอย่างเงี้ยนี่คือ น, น, นอนที่กินดินดนอนที่กินอึก็มีก็เหมือนกันลักษณะนี้โอ้โหอุจาระเต็มไปหมดเลยก็จะมีความสุขมากนอนกินก็อยู่ตรงนั้นเลยนีไม่ต้องนึกแล้วคิดว่าตัวเองดีกว่าเทวดาเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองมีอาหารเต็มที่อย่างเงี้ยเทวดาชวนไปอยู่ด้วยก็ไม่เอาถึงตอนนั้นเนี่ยอรหมจะบอกให้ว่านอนทั้งหลายเนี่ย ต่อให้โหวตกันนะเข้าตู้โหวตเลยโหวตนอนก็ชนะอยู่ดีนะหมอรัตพงศ์ใช่ครับเขาก็จะบอกว่าเอออุจระดีกว่าเทวดาเหรอฉันไม่ไปอย่างนี้ในขณะที่เทวดาเนี่ยก็าบอกเทวดาดีกว่านะมีพบละเอียดมีความสุขทุกอย่างละเอียดเป็นทิพย์สุขเป็นทิพย์อธิบายยังไงก็เป็นอย่างนั้นโหวตกันอ้าประชาธิปไตยเลยนอนก็ชนะอยู่ดีเพราะนอนเยอะกว่าใช่ไหมครับเพราะเทวดาน้อยกว่า ยังไงนอนก็ชนะอยู่ดีท่านผู้ฟังครับอะตมาจะบอกให้ผลการเลือกตั้งนะออกมายังไงก็ช่างหัวมันเถอะและ้วเราจะชอบเราจะไม่ชอบฝ่ายไหนจะชนะก็แล้วแต่เธอก็ยังมีสิทธิ์ในการถือสีนอยู่เธอก<ๆ>็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะทําความดีอยู่อะตมาจะบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านระบบทีอ่อย่างเช่นว่าคนที่จะมาหวังว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะคุณคิดผิด<ๆ>สมมติเด็กนักเรียนคนหนึ่ง คือต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่าคนเรามันเกิดมาไม่เท่ากันหรอกใช่ครับคนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะหมายความว่าไงหมายความอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่เท่ากัน<ม>อยา่างนักเรียนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเกิดมามนรัพงศ์คนนี้เขาเก่งวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งไม่เก่งวิทยาศาสตร์เราให้รัฐบาลไหนมาช่วยนะไอเด็กคนที่ไม่เก่งวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิมก็เก่งขึ้นได้อย่างมากสิบเสิบห้าเปอร์เซนครับนะแค่นั้นเองที่รัฐบาลจะช่วยคุณได้นะคุณมีเงินในกระเป๋าหมื่นนึงหรอ เขาจะเพิ่มให้คุณได้อย่างมากก็สี่ห้าพันแต่ถ้าคุณต้องการเงินแสนเงินล้านคุณต้องทําเองไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ช่วยคุณไม่ได้ก็ช่วยได้เท่าที่เขาพอจะช่วยได้แต่ถ้าเราจะต้องทําความดีเราต้องทําเองเราไม่ต้องพึ่งใครสิทธิการใช้สิทธิการทําความดีของเราก็ยังมีอยู่อย่ามาท้อแท้สงสารตัวเองว่าโอ้ประเทศชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือประเทศชาติจะต้องไปเป็นอย่างปะโถยความคิดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราสิ่งที่เราจะต้องมีมารัตพงศคือความที่จะต้องมีความตั้งมั่นอยู่ในการทําความดีถ้าเราด่าคนอื่นเมื่อไหร่นะคุณเป็นคนไม่ดีถ้าคุณพูดไม่ดีกับคนอื่นเมื่อไหร่นะคุณก็กลายเป็นคนไม่ดีคุณเป็นพู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนมีความรักใครเอ็นดูมีเมตตาจิตไม่เมียดเบียนใครอยู่เสมอให้ตั้งใจว่าเราจะทําความดีต่อไปนะไม่ว่าคนไหนจะพวกมากยังไงก็แล้วแต่เถอะ ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าการเลือกตั้งออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจว่าฉันจะต้องเป็นคนดีฉันจะต้องมีความเพียรฉันจะต้องมีสัมมาวาจาไม่แบกใครไม่ว่าใครนะไม่ว่าจะออกมาเป็นไงเราต้องมีความอดทนใช่หรือไม่คมันก็มีคนชอบคนไม่ชอบทั้งนั้นแหละตามาได้พูดไปในรายการทางพิธยุทธที่สวทว่าคน <ข blog. S 2> ที่เลือกเพราะรักลำเอียงเพรา ะ, ร, ลำลำ ร, าะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะกลัวเนี่ย ก็มีใช่ไหมเขาไม่ได้เลือกคนที่มีศีลคือคนที่ลําเอียงพระรักโกรธโลภกลัวเนี่ยเป็นลักษณะของกรงกรมกริเลสนะเป็นกรกรมกิเลสเป็นกิเลสกิเลอยู่ในใจอย่างสมมติคุณเห็นว่าโอ้ป้ายหาเสียงมันสวยดีอะไรเลือกคนนี้หรือคน ค, <K _ R at> คุณคิดว่าเออคนนี้สโลแกนเขาดีเลยเลือกคนนั้นนะหรือว่าคุณคิดว่าคนนี้เออหน้ามันหล่อดีเลยเลือกมันอย่างเงี้ยนะหรือว่าคนนี้เออเป็น คนแบบนี้เพิ่งเคยเห็นเออเลือกมันนี่ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะกลัวทั้งนั้นเป็นกรรมกิเลสไม่ควรครับแต่เราจะควรจะเลือกคนที่มีศีลเนี่ยไงคนที่มีปัญญาคนที่มีกําลังจิตเนี่ยซึ่งเราจะรู้ได้เนี่ยก็พระเจ้าเคยตราสเหตุเอาไว้วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้ล่ะคอยาันนี้มันจะเป็นต้องพูดก่อนการเลือกตั้งแต่ว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับอ่ะใช่ไหมบาไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงเราก็ ชีวิตฉันก็ยังดีอยู่ในวาระใช่หไหมชีวิตฉันก็ยังมีสีได้นี่นาใช่ครับนนไม่มีม้แหละปิดกันอันนี้แหละจะเป็นเครื่องทดสอบกําลังจิตของเราว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วคุณยังเป็นผู้นิ่งเฉยสบายใจอยู่ได้หรือเปล่าจะมีวาจาเขาเรียกเขาเรียกว่ากราฟัดกราฟีกระด้างกระดือแสดงความโกรธความกัดเกรงความไม่พอใจให้ปรากฏหรือเปล่าหรือว่าจะมีเป็นผู้ที่มีความอพอใจยินดี นะเขาเรียกว่ารุ่มหลงแห่งจิตรหรือเปล่าก็อยากใหญ่เป็นทั้งสองอย่างว่าเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังมีสีได้เราก็ยังมีกําลังจิตได้ใช่ไหมมีความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโลกมีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ให้สบายใจอยู่เราก็ยังไม่ตายนะเราก็ยังมีลมหายใจอยู่มีลมหายใจอยู่เราก็มีสติได้สิโอ้ดีมากๆากแล้วดีมากมากจริง ให้ดีใจไว้ให้ยิ้มไว้ว่าเรายังมียังมีร่างกายที่สมบูรณ์ยังมีลมหายใจยังมีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะให้เราสืบปฏิบัติต่อได้ครับยังมีเนื้อน้าบุญอยู่ยังมีคําสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตรรธรรมอยู่ครัใน้เองครับท่านครับในกรณีเนี่ยผมนึกนึกถึงพระสูตรอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าที่บอกว่าอให้ ให้พึ่งตนพึ่งธรรมหมาย ว, าว่ารัฐบาลเนี่ยเราเรายกไว้เลยจะใครก็ตามเนี่ยให้เราพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งพระธรรมอย่างนี้ได้ไหมครับมองได้ได้ก็คือ <c oughs> คนจะเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลมีส่วนน้อยมาก <c oughs> นะแล้วก็แต่ว่าเราจะรวยประสบความสำเร็จขึ้นมาได้คุณต้องมีสีคุณต้องเจริญอิทธิบาทสี ซึ่งพวกนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนเราก็ทำได้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไงเราก็ทำได้การนี้ก่อไหมให้ให้ดีใจไว้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังทำได้อยู่เรายังมีเนื้อนามุญอยู่อย่างนี้ไดครับอันนี้ก็คือเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะเป็นนิทานที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหนอนกับเทวดาที่เป็นเพื่อนกันเป็นนิทานปรัมปราที่เชื่อมโยงกันได้เลยนะครับมีเล่ากันสืบทอดกันมาอย่างนี้ ก็จะมาตอบคำถามของผู้ฟังทางออนไลน์ที่ก็มีหลายคำถามอยู่ใช่ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำถามมัเยอะเยอะทีเดียวเลยนะครับก็เลยจะขออนุญาตถามในหน้าที่นี้เลยนะครับท่านแรกเป็นของคุณนัทนะครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องถามมีมีสี่พระสูตรนะครับพระสูตรแรกก็คือถามว่าเรื่องของความพอใจคือเหตุให้เกิดทุกข์นะครับคุณนัทเนี่ยถามว่า พระสูตรที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยบอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็พระสูตรที่สามกับสี่เนี่ยบอกว่าการที่จะประสบผลสําเร็จทางทางการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องมีการมีมีมีความฉันทะที่ที่ที่จะกระทำอ่ า, าคือแสดงว่าคุณคุณนั้นเนี่ยมีความเฉียบคมในการสังเกตมากแต่ามาก็เคยมีคำถามนี้มาก่อนเล่าฟันธงเลยว่าคําของพระเจ้า ขัดกันแน่นอนนะแต่ว่าเรารู้นายไปนะอพอเราไปศึกษาศึกษาเพิ่มเติมเราประโถเออเรารู้นายไปเราพบว่านี่คือนี่คือตัวอย่างคําถามที่ดีคือหมายความว่าฉันท่าเนี่ยพระรูช า, าได้ใช้ในแง่มุมของความที่เป็นอกุศลเช่นฉันทาเป็นเหตุแห่งทุกข์นคนมีเพราะว่ามีฉันท่าเลยจึงมีความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันนในพระสูตรที่สามที่4ี่เนี่ยซึ่งท่านผู้ฟังไปอ่านอยู่ได้อยู่ในโพสนะ นะ <S <S อก็บอกว่าอคุณจนะบรรลุอารัตผลได้คุณต้องมีชันทะเอาแล้วงี้มันจะไม่ขัดกันหรอร <S <S หมรถึงว่าต้องกลับไปดูที่อริยสัจสี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกเนี่ยเราต้องรอบรู้ต้องรอ บ, ร, บรู้เรื่องทุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะต้องมามีความชันทะเนี่ยก็ถูกแล้วมันไม่ขัดกันแ น, นะนอนเพราะว่าเราต้องรอบรู้เรื่องชันทาเพราะชันทะเนี่ยเป็นเหตุเป็นทุกเป็นมูลเหตุแห่งทุกนะ ฉันทะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละเห็นไหมเป็นสิ่งที่เราจะต้องละนะเพราะว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ตัณหาได้เป็นเหตุแห่งทุกข์อ่าประเด็นก็คือว่าการที่เราจะละฉันทะได้เนี่ยคุณจะต้องเดินตามอริยมรรคมีองค์แปเห็นไหมว่าอย่างพระสูตรที่สี่เนี่ยที่บอกว่าพอมีฉันทะแล้วเนี่ยจะมีอุตสาหะมีอุสาหะมีความตั้งมัตตตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นไปตามอริยเป็นไปตามอริยมรรคมีองค์แปดแล้วนะ เพราะฉะนั้นพระอ น, นุ์เนี่ยจึงเคยพูดเอาไว้ในเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องกับคําพูดของพระเจ้าที่ว่าเาจริญมีฉันทะเนี่ยเพื่อละฉันทะมีฉันทะเพื่อละฉันทะคือต้องเจริญก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงค่อยละในภายหลังใช่ไหมครับซึ่งอย่างคําว่าฉันทะเนี่ยพระรูเจ้าใช้ทั้งในแง่ดีและแง่ลบนะคือใช้แง่าอากุศลแล้วแง่ก็แง่กุศลแต่ ค, คําว่าตันหาเนี่ยจะใช้เฉพาะ ที่เป็นอักุสรเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นชันทะเนี่ยดีก็มีไม่ดีก็มีคือไม่ดีแน่ละ่ะถ้าเราจะต้องการยังมีอยู่นะสำหรับคนที่จะเป็นพระอรันแต่ ค, คนที่จะเป็นพระอรันได้เนี่ยคุณต้องมีชันทะเพื่อที่จะละชันทะหมายความว่าพอมีชันทะเนี่ยถ้าเรามาดูอีกประสูตรหนึ่งนะซึ่งอยู่ในปฏิจสมุ ป, ปาที่ธรรมบุทิ ธ, ธาต์บอกว่าเป็น24อาการเนี่ยพอเรามีทุกข์แล้วเนี่ย คุณจะต้องมีศรัทธานะพอมีศรัทธาเนี่ยเราถึงจะมีฉันทะได้นะคือความพอใจในการปฏิบัติอย่างนี้อ๋อครับเพราะฉะนั้นก็ลองเชื่อมโยงดูดีๆจะพบว่าคํำของบริชาไม่ขัดกันดังนั้นคําถามก็คือว่าการมีฉันทะในการปฏิบัติธรรมเป็นทุกข์หรือไม่คำตอมคือใช่เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเราเพื่อคลายทุกข์ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรอบรู้ ก็แค่นั้นเองลองคิดดูนะ ค, คุณจะต้องไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจ็บข่าวปวดหลังปวดหัวปวดขาข้าวก็กินน้อยอยู่วัดนอนไม่สบายถามว่าถ้าคุณต้องไปทําอีกสักหมื่นชาติแสนชาติอ่ะโอ้โหมันแย่มากนะครั บ, รบมันจะต้องมาทุกงี้กันเหรอเอาแค่เจ็ดชาติก็แล้วกันวะครับหรือถ้าดีหน่อยขอชาติเดียวหรือ ถ, ถ้าดีขึ้นมาอีกไม่ต้องมาเกิดเป็นคนหรือถ้าดีเลยชาตินี้ขอให้มันเป็นชาติสุดท้ายที่ฉันจะต้องมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างนี้ ครับอืมอืมคำถ<ก>ามต่อไปอครับคำถามต่อไปก็เป็นจากคุณที่ใช้นามว่าหวัวนิยาวเหมือนกันนะครับธรรมนิโกธรรมนิโกครับนิดนึงครับคือเอาข้อแรกเลยนะครับก็ท่านถามว่าทำอย่างไรถึงจะห่างไกลจากบุคคลที่มีความคิดร้ายต่อเราจะไม่ว่าด้วยกายวาจาใจ นะครับคือตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือมีการนั่งสมาธิภาวนาและก็การแผ่เมตตาให้กับคนผู้นั้นนะครับอันนี้ก็เลยทำอย่างไงก็ทำทําอย่างที่พระเจ้าสอนนั่นแหละคืออย่าไปยุ่งกับเขาครับอย่าไปยุ่งกับคนพาลครับคืออาศวนาจะพาลานังแล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจอย่าไปทําอะไรให้อโทนับ เรื่องนี้ก็เคยมีเรื่องเล่าที่ระหว่างพระอินทร์กับ เ, เทวดาที่ชื่อเวปจิตเนี่ยนะเป็นมารเทวดาเวปจิตท้าเวปจิตเนี่ยเ ป, เป็นหัวหน้าของฝ่ายมารก็มีครั้งหนึ่งที่ท้าเวปจิตเนี่ยถูกจับไปอยู่ที่ธรรมสภา<ะ> เ, เป็นอยู่ในบ้านของพระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์เดินเข้าเดินออกอยู่เนี่ยท้าเวปจิตเนี่ยคือเรื่องราวเดิมเนี่ยมันมีก่อนหน้านี้คือว่า มีสงครามะระหว่างเทวดากับอสูรในพวกอสู ร, รเนี่ยก็มีหัวหน้าชื่อเท้าเวปจิตในพวกเทวดาก็มีหัวหน้าชื่อเท้าสกะเทวราชก็คือพระอินนั่นเองมีการรบกรันตะลุมบอลกันครั้งสุดท้ายันน้ปรากฏว่าเท้าเวปจิตเนี่ยบอกพวกมารบอกว่าเอาละถ้าเราชนะนะให้จับเท้าสกะเทวราชมาที่พบแห่งมารแต่เท้าสกะเทวราชก็บอกเหมือนกันใ น, นพวกเทวดาทั้งหลายถ้าเราชนะนะก็จับเท้าเวปจิตเนี่ยมาที่ ธรรมสภาบนชั้นดาวดึงรปรากฏว่าในการรบครั้งนั้นเนี่ยตรุมบอลและลุงตุตงนางเลยใช้ไม้ตายกันทุกคนปรากฏว่าฝ่ายเทวดาชนะนะอาสูรแพ้เท้าเวประจิตก็เลยถูกพวกเทวดาชั้นดาวดึงจับมาที่ประตูแห่งธรรมสภาด้วยวิธีการที่ชื่อว่าปัญจวิทราพันธนะคือการจองจำห้าแห่งหาขาสองข้างแขนสองข้างแล้วก็ล็อกที่คอด้วยโอ้โหครับปรากฏว่า ถูกจับมาแล้วเนี่ยขึงตรึงอยู่ที่ประตูถ้าวเวประจิตเนี่ยกระดิกอะไรไม่ได้เลยถูกรัดแน่นหมดขยับได้อย่างเดียวคือปากอแล้วพอเห็นหน้าท้าวสากาัดเทวราชแล้วเนี่ยก็ด่าเละด่าชาติ เ, เสียเทเสียกุดทุกเง่าหัวมาดา่าจะเรียกว่าขึ้นเวทีด่าเลยก็ว่าดา่าครับมันอยู่ที่ไหนมันด่าแรงหมดนะท้าวเวประจิตใช้ใช้วาจาที่เรียกว่า เ, เป็นวาจาอันหยาบคายร้ายกาดอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษครับ แต่ว่าปรากฏว่าไงเท้าสักกะเทวราชนิ่งอยู่ได้เท้าสักกะเทวราชนิ่งอยู่เนี่ยมีเทวดาคนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ยังไม่จบยังไม่จบฟังให้ดีครัเท้าสกัดเทวราชนิ่งอยู่เนี่ยก็มีลูกน้องของพระอินทร์คนหนึ่งชื่อมาตาลีเทพบุตรเทวดาชื่อมาตาลีคนนี้เนี่ยนะก็เลยถามหัวหน้าตัวเองคือเท้าสักกดเทวราชเนี่ยบอกข้าแต่เท้าสักัดเทวราชที่ท่านนิ่งอยู่ได้เนี่ย เพราะว่ากลัวหรือว่าเพราะไม่มีปัญญาจะตอบโต้ถามถามเท้าส ก, กัดเทวราชอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์อาตมาจะบ้องหัวสักทีหนึ่งนะหนึ่งครนะั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท้าพระอินเนี่ยก็ก็นิ่งอยู่ได้เนี่ยตอบบ้างอย่างนี้พระอินตอบบ้างอย่างนี้บอกว่าที่เรานิ่งอยู่ได้นเนี่ยเพราะว่าความกลัวหรือเพราะไม่มีปัญญาจะตอบโต้ก็หาไม่แต่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการสนทนาด้วยกับคนผ่านจึงนิ่งอยู่ ค, คือที่นิ่งอยู่เนี่ยคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าที่นิ่งไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรอย่างสมมุติหัวหน้าด่าเรารหรือว่าเพื่อนร่วม ง, งานด่าเราแล้วเราสวนไม่ทันอย่างงี้นะแหมไม่รู้จะตอบเป็นว่าอะไรเพราะว่ากลัวมันเลยจึงไม่พูดอย่างเงี้ยนะแต่พระอินบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่เป็นเพราะว่าเราไม่เห็หนประโยชน์จากการพูดกับคนผ่านก็เลยนิ่งคหยุดเทวดาชื่อมารตลีนี่ฉลาดมากะอแต่มาคิดว่าฉลาดมากก็เลย จับคีย์เวิร์รดของท้าวสกัเทวราชนะคีย์เวดตรงนี้ก็คือคําว่าคนผ่านครับท้าวเทวดาชื่อมัตรีบอกว่าคนผ่านเหรอคนผ่านนี่แหละเราต้องยิ่งขีดกันด้วยการลงอาดยาคือหมายว่าทํามันก่อนถ้าเราไม่ทํามันก่อนมันจะทําเราอก็คือหมายควา ม, มภาษาจา า, า, า, า, า, าบ้านก็ว่างี้แหละต้องขีดกันคนผ่านด้วยอาดยาว่างเงันท้าวพระอินทร์ตอบว่าไง พยินตอบว่าบุคคลใดอดทนบุคคลนั้นชื่อว่ากีดกันคนผ่านแล้วเรากีดกันคนผ่านด้วยความอดทนไวอย่ายงนั้นเทวราชื่อมัตตลีนี้ฉลาดจริงๆนะหยิบคีย์เวิร์ดของเท้าส ก, กัเทวราชมาถามต่ออีกบอกว่าอดทนเหรอข้าพระองค์เห็นความเห็นโทษของความอดทนคือความอดทนเนี่ยคนผ่านจะไม่สาคัญบุคคลที่นิ่งอยู่เพราะว่าความอดทน แต่จะสําคัญบุคคลผู้นิ่งอยู่เพราะว่ากลัวจึงจะยิ่งข่มขีเรามากขึ้นเหมือนกับโคตัวที่ชนะข่มขีโคตัวที่แพ้ฉันใดนั่นยกภูมมามาแย้งอีกนะครับือเหมือนบัวถ้าเราเห็นบัวควายมันสู้กันใชครับชนะชมันจะยิ่งไล่ต้อนเข้ามุมเข้าไปอีกน ะ, ะพระอินทร์คราวนี้ตอบยังไงมา ค, คือเทวดาชื่อมัตตลีเนี่ยคิดว่าความอดทนเนี่ยมีโทษนะโทษของความอดทนก็คือว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยยิ่งอัดเราหนัก ใ ช, ใช่ครับใช่ครับคีว่าคุณทํามาเนโกเนี่ยอาจจะเห็นด้วยของความอดทนของปรากฏวมาท่านอินนี้ตอบยาวมากมาตุสมน์ต่อเป็นหน้ากระดาษเลยเป็ น, นาาคาถายาวมากส ร, สรุปใจวความสั้นๆว่าบุคคลผู้ที่ไม่โกรธคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธเนี่ยชื่อว่าชนะสงครามอันชนะไดย้ยากโอโคือเราไม่โกรธตอบนะเรา ช, ชนะจิตของตัวเองนั่นแหละชนะมากๆละชนะได้ยาก นะที่ว่าเป็นบุคคลที่มีความสงบสงบผู้รู้เจ้ายกย่องพระอินทร์ด้วยคุณธรรมสองอย่างหมรัตครับยกย่องพระอินทร์ด้วยความที่เป็นคนที่มีขันติคือความอดทนและความที่มีเป็นคนที่มีโสระจัะคือความสงบส ง, งี่บผู้รนะู้เชายัางบอกอยู่ว่าพิสูจน์ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยจะงดงามด้วยขันติและโสระจักืองดงามด้วยความอดทนและความสงบสงบสงบเธอจะงดงามอยู่ในธรรมะวินัยนี้ อย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าเล่าอันนี้เป็นพุทธวจนะแน่เพรานะรฉะนั้นถ้าตอบคําถามของคุณธรรมะในโกก็คือว่าเราอดทนนะพระพุทธเจ้ายังเสริมให้อีกสามอย่างนไะม่เบิดเบียนรักใคร่เอ็นดูแล้วก็เมตตาจิตอสําหรับคนที่คิดไม่ดีกับเรานี้ใช่ไหมครับก็ใช้ใช้ได้หมดเลยใช่ใช่ใช่อดทนไม่เบียดเบียนแล้วก็รักใคร่เอ็นดูใช่ไหมครับเมตตาจิตนะถ้าจะพูดให้ดีก็คือว่า สวนเขากลับไปให้เป็นสี่เท่าใช่มด้วยความรักไอ้เคราเอ็นดูด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยอย่างนี้แหละเราจะสบายใจอยู่ได้เรียกว่าเขาทิ้มอาวุธมาเราปล่อยดอกไม้กลับไปอย่างนี้นะครับก็ปล่อยออกไปสี่ดอกเลย <c oughs> ครับคือมันมันมีแต่ข้อดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรามีแต่ความเมตตาเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะรักเรา ล้วกภ็ภัยอันตรายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้วคลาดไปได้อันนี้เป็นหนึ่งในสิบสองอันนี้ส่งของคนที่มีเมตตายอยู่เป็นประจำนะครับ อ, อันนี้ก็เชิญชวนกันนำไปปฏิบัตินะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมีคำถามต่อเนื่องข้อ2ก็คือกรณีต่อเนื่องจากข้อแรกนะครับที่ว่ า, าถ้าการเข้ากลุ่มสังคม พระอาจารย์มีข้อแนะนําอย่างไรที่จะทําให้เราเนี่ยเข้ากลุ่มกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุขเช่นในสังคมของการทํางานนี่นะครับคือในสังคมคนทํางานคนดีก็มีคนชั่วก็มีใช่ไหมใช่ครับเราก็เลือกเขากับคนดีแต่ถ้าเราต้องปฏิบัติงานกับคนที่ไม่ดีทํำยังไงก็ให้อยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติงานน่ะแค่นั้นเองรเราก็คบกับส่วนดีของเขาส่วนไม่ดีของเขาเราก็ไม่ครบก็คือแค่นี้เองบางคนมันอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ในด้านดีเราก็คบไว้ด้าไม่ดีเราก็ไม่สนใจแล้วก็แค่อยู่ในสโ o p ของงานส่วนเรื่องอื่นนะถ้าเราเป็นมิตรดีเนี่ยเราก็อาจจะช่วยรักษาเขาในเวลาที่เขาประมาทแต่ถ้าเขาชวนมาเราเราไปไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่เอาเรา<ล>ไม่ไปเราจึงต้องชวนคนอื่นไปในทางดีแทนที่<อ>จะให้เขาชวนเราไปกินเหล้าใช่ไหมไปชวนเขาไปเล่นกีฬาหรือชวนเขาไปฟังธรรมชวนเขาไปบ่อยชวนเขาก่อนเนี่ยนะครับเขาหมดประเด็นที่จะมาชวนเราอ่ะครับ <No. S 1> ครับใช่ครับการคำถามต่อไปข้อ3ถ้าเรารู้ว่าอกุศลเนี่ยไม่ดีแล้วทำให้ก่อให้เกิดความทุกข์และความไม่สบายใจแต่ถ้าเราสามารถเลิกให้ไม่ทำอกุศลต่างๆด้วยการใช้สติแต่ให้ทำกุศลความดีมากๆอย่างนี้ ถือได้ว่าเรารู้และเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับอริยสัจสีหรือไม่อย่างไรนะครับออันนี้เป็นอริยสัจสีเพราะว่าการที่เราละอกุศลทํากุศลให้เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นสัมมาวยามารเรารใช่ไหมสัมมาวยามาอยู่ในไหนอยู่ในอริยสัจสีในในส่วนของมรรคมรรคครับมรรคยี่สิแปดครับใช่ก็อยู่แล้วอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นมันก็มาด้วยกันเรา มีจิต ท, ที่เป็นกุศลเนี่ยก็ไม่มีมิจฉาสังกปะนะมีแต่สัมมาสังกปะก็ชื่อว่าดีแล้วถูกต้องแล้วครับข้อต่อไปนะครับกรณีถ้าเราเป็นคนดีแต่ว่าเราอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรแม่ผิดใจกั น, นก็ต้องใช้กุศโลบายนิดนึงครับนะในการที่จะหลบเลี่ยงได้ต้องเป็นคนฉลาดในเรื่องนี้ต้องเป็นคนฉลาดรู้หลบรู้อะไรก็คือ ไม่ด่าใครเผื่ถ้าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเขาจะไม่ชอบหลีกเลี่ยงในการพูดซะครับนะเราไม่ทําเนี่ยเราก็ชักชวนคนอื่นเขาไปทําดีก็ได้พูดเล่นก็ได้นะโดยที่มันไม่ผิดมิาจฉาอะไรมิจฉาวจานะครับก็คงต้องมีกุศลบาสนิดนึงแต่ถ้าอย่างนี้นะหมอเด่นพงศ์สร้างชื่อเสียงของเราให้กระจายไปคแบบม้ว่าถ้าคุณเป็นคนมีศีลคุณเป็นคนมีธรรมะเนี่ยนะชื่อเสียงของเราเนี่ยเกิดจะกระจายไป คนที่เขาไม่มีสีเนี่ยเขาจะไม่กล้ามายุ่งกับเราหมายว่าเขาจะไม่กล้ามาชวนเราอะเราไปชวนเขาไอ้ไอ้หมอ น, นี่มันมีชื่อเสียงทางดั้นไม่กินเราเราไปชวนมันไม่ไปหรอกเดี๋ยวยุ่งของมันเลยนี่ <ừ> คนไม่ดีมันจะคิดงี้ดีแล้วให้มันไปไกลๆหน่อยคนึกออกไหมนึกออกให้ชื่อเสียงของเราขาจารไปเลยเพราะเราเป็นคนมีศี <ừ> บุคคลผู้มีศีเนี่ยเข้าสู่บริษัทใดไม่ครั้นครามบุคคลผู้ให้ทานเนี่ยชื่อเสียงของบุคคลนั้นย่อมขาจขารกระจายไป อย่างนี้นะอืมให้ทําเลยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆมีดีขึ้นหรอกคุณธรรมะนิโกครับข้อต่อไปนะครับเอท่านท่านธรรมนิโกเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาแล้วรู้สึกมีความสงบและเบาสบายอืมก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเนี่ยอถือว่ามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่ครับก็มีส่วนอยู่คือหมายถึงว่าสมาธิเกิดขึ้นอันนี้เนี่ย สงบสบายเนี่ยมาจากฟังเพลงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะก็คือมาจากภายในก็ถือว่ามีสมาธิละดีละมาจากท่านถามว่ามาจากนั่งสมาธิภาวนาแล้วและเกิดความสงบและเบาสบายออืครับดีมากครับแล้วก็ขั้นต่อไปใช่ไหมก็ควรจะควรทํำยังไงต่อนะครับอก็คือควรที่จะอยู่อย่างนั้นต่อก็ได้เพราะปีติสุขก็เป็นสิ่งที่อยู่ได้แต่ว่าให้เห็นอยาบยาเข้าไปตั้งสยบอยู่ในอารมณ์นั้น อย่ากำหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นคือถ้าตั้งสยบกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในความสงบสบายเนี่ยนะนี่ไม่ถูกผิดเป็นความเพลิน <organs S 2> เป็น ค, ความเพลินถูกต้องถ้าเราไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีนะก็เรียกว่าไม่เพลินเอ้าทํายังไงถึงจะไม่เพลินก็ให้มีสตินะอยู่ในลมหายใจต่อไปครับคนที่ทําเป็นนอมรัตวงจะรู้ลมหายใจไปด้วยได้จะมีปีติสุขอยู่ในใจด้วยได้ ทำไปพร้อมๆกันได้อันนี้เป็นไปได้แน่นอนครับอนะครับข้อต่อไปนะครับคือท่านออกตัวว่าไม่เก่งไม่เก่งเรื่องของพิจารณาธรรมคือเวลาที่เกิดความนิ่งแล้วคือเวลาจิตเนี่ยนิ่งจะไม่พิจารณาธรรมได้หรือไม่ครับคือว่าสมถะวิปัสนาเนี่ยต้องให้มันไปปร้อมๆกันครับพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเรามาดูพิจารณาดูนะพระองค์ก็ไม่ได้เคยสอนให้แยกธรรมนะสมถะก่อนค่อยวิปัสสนาก็ไม่ เพื่ อ, อมาไม่เห็นจุดที่จะเป็นอย่าง น, นั้นนะนะอย่างอนาปนาสติอโอ้โ ห, โ ห, โ ห, โหทั้งพรืดนั่นน่ะก็คือสมถาวิปัสนาไปคู่ๆกันพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าสังเกตเราไม่ใช่เป็นสมถนะเนี่ยต้องดูพิจารณากายถึงจะเป็นวิปัสนามันไปพร้อมๆกันสังเกตรรเราไม่ใช่เหรอสมถาวิปัสนาด้วยพิจารณากายเหรอนั่นก็สมถะด้วยวิปัสนาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําไปด้วยได้แต่ที่เราจะต้องมีเนี่ยคืออะไร มาแลบอกคือมีสติว่าถ้าเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ค, คือว่าเราจะต้องรู้ถึงสมดุลแห่งจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมาวิปัสนาธรรมาเขาเรียกว่ า, อ, าอธิปัญญาธรรมวิปัสนาหรือรเจโตสมถะในภายในสองอย่างนี้ต้องให้สมดุลกันถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเรามีเจโตสมถะในภายในมากมีอธิปัญญาธรรมวิปัสนาน้อยก็คือหมายความว่ามี มีสมรรถามากมีมีวิปัสสนาน้อยวางันเถอะจิเนี่ยมีสมาธินิ่งอยู่แลวแต่ไม่มีการไม่เห็นการเกิดดับไม่พิจารณาอะไรเงี้ยนะก็ให้ดำรงตนอยู่ในเจโตสมรธถในภายในแล้วนะไปถามคนที่มีอธิปญญาธรรมวิปัสสนาว่าเอ๊ะสังขารนี่เขาพิจารณากันอย่างไรนะบุคคลนั้นตอบว่ายังไงให้ทำอย่างนั้ น, นก็คือพิจารณากายนั่นแหละก็คือต้องอให้มีสมดุลกันะ่ะ ถ้ามีอธิปัญญาธรรมวิปัสนามากมีเจโตสมาธิในภายในน้อยให้ดำรงตนอยู่ในอธิปัญญาธรรมวิปัสนาแล้วทาเจโตสมาธิในภายในให้มากคนจะเป็นบัลลังนะมนต์พงษ์ครับครับพระเจ้าใช้บทเพลงเชนนนี้ตลอดว่าเป็นผู้ทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอัศวะไม่ได้เข้าถึงในทิฏฐธรรมนี้แล้วดำรงอยู่ได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยก็คือความสูงสุดยอดในระดับของ สมถะและวิปัสสนาครับซึ่งมันไปพร้อมๆกันนั่นแหละอืต้องเสมอๆกันใช่เหมือนกับร้อยเข็มกันได้เัาอย่างนี้เป็นตัวอย่างอาตมาเองนะ่มือซ้ายเนี่ยที่ถือเข็มเนี่ยจะต้องนิ่งในขณะที่มือขวาที่จับได้เนี่ยจะต้องเคลื่อนแต่ถ้ามือซ้ายคุณนิ่งคุณเกรงเกินไปใช่ปะมันก็ไม่ไหวต้องจับพอดีๆในขณะที่มือขวาเนี่ยถ้าทิ่มๆๆโดยที่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเนี่ยมันก็ไม่เข้าอ่ะ ใช่ไหมเขาต้องพอพอแต่ถ้านิ่งอยู่มือขวานิ่งอยู่ถือได้นิ่งอยู่มันจะไปเข้าได้ยังไง<ช>มันก็ต้องพอดีพอดีพอดีพอดีกันจังหวะจักระคนใช่อันนี้นะนี่ร้อยเข็มก็ได้อย่างง่ายพระพุทธเจ้าพระอานนท์ยกตัวอย่างที่ยากกว่าร้อยเข็มก็ได้อีกคือเห็นพวกกษ <นะ S 1> ัตริย์ราชวีเนี่ยยิงลูกดานนะจากที่ไกลลอดช่องดานเนี่ยยิงลูกศรจากที่ไกลลอดช่องดานลูกไหนลุกนั้นไม่ผิดเลยโอพระอานนท์ยกย่องมาดีมาก เก่งมากปรมาณนั้นเถอะคระพุทธเจ้านี่บอกว่าเอายี้คนที่ยิงลูกธนูจากระยะหนึ่งโยดเนี่ยไปถูกขนสายได้คนไหนเก่งกว่ากันขนสายคือเราเอาเนื้อกวางเนื้อเก้งพวกเนื้อสายนะเอาขนมันมานะครขนของมันเนี่ยเล็กมากเล็กกว่าผมมนุษย์อีกนะเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์อีกละเอียดกว่าอีกเอาไปติดไว้นะเพราะเดินทางออกไปสิบสองกิโลคุณยิงธนูมาถูกพอดีโอ้ มันเก่งกว่าอีกนะสุดยอดครับพทเกบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอาขนทรายมาผ่าออกเจ็ดส่วนเอาหนึ่งส่วนนั้นมาแทงทะลุกับอีกส่วนหนึ่งมันยากกว่าเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการบรรลุอรรถผลยากกว่านี้อมันต้องปอดีปอดีกว่านี้เองนะเพราะฉะนั้นอให้ทําไปเนี่ยแหละให้ทําไปทําไปแไม่ต้องพิจารณาอว่าอจิตของเราเป็นยังไงเอาแค่จิตของเราเนี่ยสงบ นะจีของเราเนี่ยไม่คิดฟุง้งซ่านไม่มีนิวนรณ์นะไม่มีนิวรณแล้วก็เห็นการเกิดดับในภายในแค่นี้พอแล้ ว, ลวทำให้มันไปเรื่อยๆออไม่ต้องกังวลว่าฉันถึงขั้นไหนทำไปยังไงอะไรเงี้ยแต่ขอให้ทำต่อไปเดินอยู่บนมัคก็จะถูกต้องดีแล้วล่ะให้มีความเพียรต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมครับใช่อืม ทีนี้ว่าในส่วนของทําคําถามของคุณธมะในโกคิดว่าตอบหมดแล้วครับเนาะใช่ใช่ครับก็ปอาจารย์ตอบไปแล้วว่าให้ทําทำโดยความเพียรแหละไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ต้องท้อถอยครับใช่ใช่ใครับทีนี้มีคําถามคุณกัลยาณีนี่ยาวไปกัลยาณีอ่าก็ตอบคําถามคุณกัลยาณีได้ครับก็ได้พูดถึงการทํางานของทีมงานอเกี่ยวกับพุทธวจนะเนาะทั้งที่วัด นาปพงโดย<ร>ท่านอา<ร>จารย์ก ร, ร, ริชแล้วก็ที่วัปดป่าดอนไนโศโ ด, ดยมีอาตมาเนี่ยเป็นคนปักดันอยู่ก็สาธุนมโมทนาด้วยการที่อาตมาคิดว่าร่วมกันบอกสอนกระจายข่าวคำที่เป็นพุทธปัะนาออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งดีแน่แล้วก็ตัวเองเราก็ได้ทำด้วยนะใช่ครั บ, รบก็คือมอีคำถามที่ท่านสรุปไว้คุณกัลายาณีบอกว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือบอกว่า ถ้าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรคือผู้รู้และสำมพัน์นี้หมายความว่าอย่างไรครับก็การวิเคราะห์กรรมที่เป็นสาวกก็จะมีมีคำถามอย่างนี้ได้ถ้าจะให้จะมายกพุทธวจนะที่จะมาเทียบเคียงกับบทพยัญชนะนี้นะคือคำว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะแต่ถ้าเราจะยกพุทธวจนะอันไหนที่มันจะสอดคล้องกันก็จะต้องพูดถึงเรื่องขันของขันทั้ง5้า ผู้เช่าบอกว่าให้อย่าทําให้เป็นกองให้ทำารทาให้ทิ้งไปโยนทิ้งซึ่งขันทั้ง5้าไม่กัดผู้เช่าตรัสอย่างนี้บอกว่าต้องยุบไม่ก่อคว่างทิ้งไม่ถือเอาทําให้กระจายกระจายไม่ทําให้เป็นกองทําให้มอดไม่ทําให้ลุกโผล่ซึ่งวิญญาณคือผู้รู้คือกระจายไม่ให้ทําให้เป็นกองนะคือทิ้งค้างทิ้งไม่ถือเอา ซึ่งวิญญาณเพรา ะ, ะนั้นถ้าจะใช้พุทธวจนะก็ต้องใช้บทนี้แหละครับอืมอืมก็คือโดยในทางปฏิบัติก็คือไม่ไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมครับวิญญาณไปจับอะไรก็ไม่เอาให้ทิ้งให้ทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางครับครับโอเค okay. ข้อต่อไปก็คือว่าอ่าท่านถามถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดนะครับอคือท่านท่านทบทวนทบทวนอริยมรรคมีองค์แปดนะครับยาวเลยแล้วก็ คำถามอยู่ตอนที่ตอนท้ายบอกว่าถ้าต้องทําสมาธิให้จิตนิ่งอยู่ในสภาวะธรรมก็คือจะต้องผ่านมรรคทั้ง7ประการมาแล้วเท่านั้นใช่หรือไม่อ๋อครับคือเรื่องของมรรคมันมีการทํางานที่ไปด้วยกันการทํางานที่ไปด้วยกันเปรียบเสมือนกับถนนเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบของถนนนะนะใช่ <ไป S 2> ครับสายถนน เ, เส้นบอกทางป้ายรังน้ํา เกาะกางถนนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ elected, it, it s <S ่ง <holog> ม <interf drink> ันก okay. ็จะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื yeah, ่องของสมาสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าองค์เจประการที่แวดล้อมจิตอันเป็น1นั่นแหละคือสมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าสมาสมาธิที่สมบูรณ์เลยนะก็จะต้องผ่านมรรคทั้ง7ประการมาแล้วใช่หรือก็คือใช่แต่จริงๆแล้วคุณทําสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยนะนั่นแหะก็มีมรรคเประการ สมาธิการใหนึ่งนหมายถึงว่าชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่นะใช่ครับนั่นะก็มีมรรคเจ็ประการมาละครับอืมอืมดังนั้นคือมันมาด้วยการให้ทําไปเรื่อยๆแล้วมาเร่งประโยชน์ที่ว่าอคือเราอ่านพุทธวจนะเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยอ่านซ้าไปซ้ําไปเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจในจิตนะนะมันเป็นความเข้าใจในจิตซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเข้าใจในจิตนะและกําหนดบทพียญชนะออกมาบอกเราเพราะฉะนั้น ตรงที่บทเญ็นชนะที่บอกอะ่ะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็มีอาการทางจิตอย่างนี้เหมือนกับพระเจ้าแหละแต่ว่ากําหนดบทเพ็ญชนะอาจจะมีที่ปิดพลาด<ต>บ้างตกต่างกันแต่างกันบ้างาอธิบายตรงนี้เป็นอย่างนี้เธออธิบายตรงนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่อธิบายคนละแบบก็จะทําให้มีการอธิบายหลายแบ บ, บก็เลยคิดว่าเอาการอธิบายแบบที่พระเจ้าบอกแล้วก็เราก็ทําไปนะให้มีความมั่นใจว่าเออถ้าเราจิตของเราสูงขึ้นจิตของเราเบาสบาย จิตของเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีนิวรณนะ์เป็นจิตที่มีส ต, ติเนี่ยโอ้ทุมาถูกทางแล้วอืมครับเนาะครับ <No. S 1> คําถามสุดท้ายก็คือนิพพานและปรินิพพานต่างกันอย่างไรครับอ่านิพพานแปลว่าดับปรินิพพานก็จริงๆแล้วเหมือนกันต้องใช้คําว่าปรินิพพานกับนิพพานเนี่ยเหมือนกันนะใช้แทนกันได้เลยบางทีก็บอกว่าสาริบุตรนิพพานแล้วปรินิพพานแล้วก็ใช้กันได้ แต่ที่ว่าตอนออที่ละขันนี้ด้วยเนี่ยตอนใช้กค่ยังไงสมมุติตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นสาระคู่อย่างเงี้ย น, นอนจิยาสา ย, ยาอยู่ตรงนั้นรเรียกว่าดับขันถ้าปรินิพานคือขันด้วยออมีคําว่าขันท่าอยู่ข้างหน้าด้วยขันท่าปรินิพานก็คือละกายนี้ด้วยแต่ว่าจิตตอนที่บรรลุอยู่ใต้ต้นไม้โพนั่นแหละปรินิพานแล้ว อ, อตอนตท่า น, น, านอายุสาสิบห้านั่นคือปรินิพานใช่ไหมครับจิตดวงที่จะไปเกิดนั่นน่ะ ปริญนิพานแล้วเชื้อที่จะไปเกิดไม่มีไม่มีแล้วครับนิพานแล้วปริญนิพานเฉพาะตนณทิตธรรมณจุดนั้นวินาทีนั้นปริญนิพานเฉพาะตนเฉพาะตนเฉพาะตนครับอืมในในจิตในจิตใช่ไหมครับแต่ตอนตอนอายุท่านแปดสิบก็คือว่าดับขันปริญนิพานขันทะปริญนิพานคิดว่าประเด็นที่คุณกัลยาณีต้องการทราบคือเรื่องนี้แหละครับ ต่อไปคาถามสุดท้ายจากคุณกหนกรัฐคอนตุกนกระนกรัฐครั บ, รรบต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสและก็มารใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ก็สาธุ์โฆษนาด้วยการ ท, ที่ทีมงานเนี่ยมาร่วมทำกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลเว็บไซต์นะหมอรัตพงที่มาจัดาย ก, การร่วมกัน ค, คน ท, ที่เรียบเรียงข้อมูลทางด้านแบ็ k ออฟฟิศต่ า, างๆเนี่ยช่วยกนนันเพราะว่าเราเเห็นอย่างนี้หมอรัพงว่า บุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีใช่ครับคนเหล่าเนี้ยจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมวันอาสาลหามปุชาที่จะเข้ามาใกล้ถึงนี่นะพระพุทธเจ้าเคยบอกให้ฟังนะว่าตถาคตเนี่ย อ, อคนในโลกเนี่ยมันมีคนที่ไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะได้ฟังธรรมของตถาคตหรือไม่เนี่ยมันก็ยังเป็นคนชั่วอยู่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นมาได้แต่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่ว่า ไม่ว่าจะได้ฟังธรรมหรือไม่ได้ฟังธรรมของตถาคตนะ <N> เขายังเป็นคนดีอยู่ดีเราอาจจะเคย <regularly S 1> <hair S 2> เห็นคนที่ยังไงมันก็ดีอ่ะมันเป็นคนดีของมันอยู่แล้วนะไม่ว่าต้องมไม่ต้องมีใครด่าใครว่าหรือคนประเภทหน that, ึ่งก็เป็นคนที่แย่อยู่แล้วต่อให้ด่าให้ว่าข น, นาดนั้นก็ยังแย่อยู่ใช่ครับ <N> อแต่มีอีกคนเปอีกประเภทหนึ่งมงรดสปงที่เป็นคนที่ว่าต่อเมื่อได้ฟังธรรมหรือได้ฟังคําของตถาคตที่ผ่านมาจากคนอื่นเนี่ยเขาถึงจะเป็นคนดีได้ ถ้าไม่ได้ฟังเขาจะเป็นคนแย่พระเจ้าเล็งเห็น<ม>ประโยชน์ของคนแบบเนี้ยจึงได้จึงแสดงธรรมทาให้คนคอื่นๆได้ฟังทําไปด้วยออครับเพราะฉะนั้นคนแบบเนี้ยที่ควรจะต้องฟังนะคนที่มีทุลินในดวงตาแต่น้อยก็มีเมื่อก่อนเราก็มีทุลีในดวงตาอยู่่คะครนะับแต่พอเรามาฟังธรรมตรงนี้แล้วโอ้เราแจ่มแจ้งขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนแบบเราอย่างนี้อยู่เหมือนกันเราเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงได้ทําอย่างเนี้นะครับครับ ต้องขออนุโมทน า, นนาร่วมกันด้วยครับแล้วก็คุณกนกรัฐพูดถึงเรื่องกิเลสกับมารกิเลสและมานนะครับพระพุทธเจ้าบัญญัติถึงเรื่องมานอยู่มีห้าอย่างห้าอย่างก็คือว่าหนึ่งมารเนี่ยคือความตายมัจจุมานคือความตายมมัจจุมานที่สองคือมานคือกิเลสกิเลสก็เป็นม า, นารอย่างที่สามคือเทวบุตรมานมานที่เป็นตัวตวอย่างเท่าเว ป, ประจิตยอย่างเงี้ยนะ เทวบุตรมารครับเทวบุตรมานเป็นอยู่ในชั้นหนึ่งพบหนึ่งในชั้นดาวดึงครับอ่าเป็นส่วนที่เป็นมารแล้วก็มารคื อ, อสังขารม า, ส า, ารสังขารมารนที่สอ่าสังขารมารคือมารคือสังขารการปรุงแต่งทุกอย่างเลยอ่ามารคือการปรุงแต่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งทางกายวาจาใจการปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงของขันต่างๆทั้งหมด นี่คือลักษณะของมานเพราะนั้นถ้าจะสรุปคําถามของคุณกระนกรัฐเนี่ยก็คือเหมือนกันนั่นแหละกิเลสมารกิเลสกับมารเหมือนกันบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นมารที่เป็นตัวๆเวลาเราจะทําความดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีมารมันเป็นกิเลสเราก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ปลาอยวางมารเนี่ยเราต้องชนะให้ได้พระรชาติเนี่ยเป็นผู้ที่ชนะมารคนที่อยู่ในสมาธิเนี่ยเป็นผู้ที่มารมีบาปกระทําอะไรไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นมารอะไรเนี่ย อยู่ในนั้นเราสบายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะกีดกันมารใช่ไหมเป็นผู้ที่ชื่อว่ามารมีบาปทําอะไรไม่ได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในสมาธิครับอยู่ในชานหนึ่งสองสามสี่ตลอดเวลาอยู่ในวิหารธรรมเครื่องอยู่คืออนามพานสตินี้ก็ได้จะสบายใจได้มากเลยล่ะอครับอันนี้ก็เอาเอาไปปฏิบัติได้นะครับมีคําถามย่อยของคุณกหนกรัตนนี่ครที่บอกว่าถามถึงขั้นตอนการทํางานของจิต ดู น, นี่เลยเพียวธ o รม a คอมและมีเซ c t ชั n หนึ่งที่เพิ่งทำเพิ่มขึ้นมาคือแผ่นแก๊สก็เอาธรรมะมาอธิบายเรื่องแรกที่ได้อธิบายไปนั้นคือเรื่องของจิตลักษณะการทำงานของจิตเปรียบกับดวงไฟแล้วก็แสงสว่างแล้วก็วัตถุที่อยู่ในห้องให้ลองไปฟังดูถ้าคุณท่านผู้ฟังท่านไหนนอกเหนือจากคุณกระนกร้าก็ตามถ้ามีคำถามในเรื่องของตรงนั้นก็ให้ใส่โพสต์ไว้ที่นั่นก็แล้วกัน คอนเทนต์ต่างๆก็จะค่อยนำขึ้นในเพีย a ธรรม m คอมนี่แหละครับก็ลองไปดูติดตามฟังในตอนนั้นต่อไปตอนนี้ค่อนข้างยาวหน่อยเพราะว่ามีเรื่องของคำถามแล้วก็นิทานอะไรต่างๆมาเล่าเสริมให้ฟังก็จะเป็นตอนพิเศษแล้วตอนนี้ยี่สิบกเราก็เลยฉลองกันซะหน่อยด้วยการยาวเป็นพิเศษท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังมาถึงตอนนี้คิดว่าก็คงจะได้รับเนื้อหาที่ อ่าทำให้เข้าใจธรรมะได้มากขึ้นเนาะมาพระไพบูลกับคุณหมอรัตพงศ์ก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้ากลับับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็โพสต์มาได้นะครับที่เพียวธรรมะ com นะครับนี้จะได้ช่วยกันขุดคุยแจกแจงกันนะครับใช่งั้นวันนี้ก็มีข้อมูลเท่านี้ครับกลับกับน้ำสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิพุโนครับ ใชริมพอแล้วก็บพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าที่มูลฝังตัวใหม่ครับสวัสดีครับ